เรื่องที่24เรื่องกำเนิดพระภิกษุณีเรื่องภิกษุณีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดเป็นปัญหาที่ไม่รู้จักเสร็จสิ้นอย่างดีก็เพียงแต่งเงียบกันไปเป็นพักๆเท่านั้นครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเปลี่ยนการปกครองเล็กน้อยคือประมาณพุทธศักราช2470สรเดเศษเกิดเรื่องมาครั้งหนึ่งเกี่ยวกับนายนรินทร์กรุง บวชลูกสาวเป็นภิกษุณีต่อมาก็มีข่าวเอกร์เริกว่าภิกษุณีวงในประเทศจีนแดงยังมีอยู่จนกระทั่งมาเมื่อต้นปีนี้เองก็มีข่าวคลึกโครมขึ้นอีกกรณีหนังสือพิมพ์ร้องเรียกนางเมียนนักพรตถ้ำเขากระบอกสระ บ, บุรีว่าภิกษุณีถึงกับทางคณะสงฆ์ได้ยื่นมือเข้าระงับเหตุ นอกจากนั้นคุณครูวรมัยกบิลสิงห์ซึ่งเป็นนักบวชสตรีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองอ่อน <c oughs> ก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าท่านเองเป็นนักบวชสองชั้นคือภายนอกเป็นชีแต่ภายในเป็นภิกษุณีอีกมุมหนึ่งก็ได้เกิดมีนักบวชหญิงอีกคณะหนึ่งเกิดขึ้นใหม่ครองผ้าสีเหลืองคล้ำ ดูผิวเผินมีส่วนคล้ายพระและเรียกตัวเองว่าศิลาจาริณีปรากฏการเหล่านี้หากยกคนที่มีเจตนาในทางเลี้ยงชีพออกเสียแล้วข้าพเจ้าคิดว่ามันออกมาจากพลังศรัทธาของสเตรเพศที่ใครจะสแสวงทมตามแนวทางของศาสนาหากแต่มนโอกาสที่จะบวชเป็นภิกษุณีหรือสัมมเนรี จึงแสดงออกดังที่เราเห็นกันอยู่และข้าพเจ้ายังคิดว่าตราบใดที่พลังศรัทธาของสตรียังมีอยู่การอุทิศตนเป็นนักบวชแปลกก็ยังจะคงมีอยู่ตราบนั้นโดยไม่ต้องสงสัยและนั่นก็หมายความว่าปัญหาเรื่องนางภิกษณุณีจะยังเสร็จสิ้นลงไปไม่ได้รวมทั้งปัญหาสิทธิของสตรีในทางศาสนาด้วยเพราะฉะนั้น จะขอวิจารณ์กำเนิดนางภิกษุณีไว้พอเป็นทางพิจารณาของท่านผู้สนใจสักเล็กน้อยเพราะเวลานี้เรื่องนี้กระจัดกระจายกันอยู่นับวันแต่จะตะล่มเข้าหากันยากขึ้นทุกทีระบบการบวชเป็นภิกษุณีนั้นเป็นผลแห่งวีรกรรมของสตรีผู้สูงศักดิ์นางหนึ่งซึ่งได้ทำการต่อสู้กับความยากลาบากเพื่อให้ได้รับพระพุทธอนุญาตเข้าบวชเป็นพระ ในศาสนาสำหรับนางเองและสตรีเพศทั้งปวงวีรสตรีนางนั้นคือพระนางมหาประชาปีคัวตมีพระเจ้าน้านางของพระพุทธเจ้าหรือในหนึ่งก็คือพระมารดาเลี้ยงของพระองค์นั่นเองเรื่องนี้มีอยู่ว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อตั้งศาสนาแล้วประมาณหนึ่งปีเศษได้มีสุภาพบุรุษจากตระกูลต่าง ขอเข้าบวชในศาสนาแล้วประมาณ 2,000 คนเศษส่วนมากเป็นคนภาคกลางของชมพูทวีปคือแถบรุ่มแม่น้ำคงคาของอินเดียทุกวันนี้เพราะพระศาสดาของเราทรงประกาศศาสนาในแถบนี้ก่อนตลอดระยะเวลานั้นยังไม่ปรากฏว่ามีสตรีเข้าบวชในศาสนาเลยอย่างมากก็เป็นแต่อุบาสิการักษาศีลหศีล8เท่านั้นจะเป็นที่ว่า ไม่มีใครทูลขอพระอนุญาตหรือมีผู้ทูลขอแล้วแต่พระศัสดาไม่ทรงอนุญาตก็ไม่ทราบแน่จนกระทั่งในคราวพระศัสดาเสด็จเยือนกรุงกบิลพัทครั้งแรกหลังจากตรัสรู้พระนางมหาประชาปดีซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระองค์เองได้ทูลปรารภว่าใครจะทรงผนวดบ้างตอนนั้นพระศัสดาไม่ทรงอนุญาต แต่ก็ไม่ทรงอธิบายเหตุผลแน่นอนว่าพระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นพระตลอดไปหรือจะทรงอนุญาตอยู่แต่ต้องรองให้ถึงเวลาเสียกอ่อนแต่เหตุการณ์ต่อมาภายหลังก็เฉลยพระพุทธประสงค์แล้วว่าที่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตนั้นเป็นเรื่องของการรอเวลาจึงมีปัญหาว่าทรงรออะไร ข้าพเจ้าลองประมวลเรื่องราวจากแหล่งที่มาต่างๆดูแล้วเห็นว่าที่ไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้สตรีบวชในครั้งนั้นทรงรอสองอย่างคือ 1. เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธบิดาเราจะต้องไม่ลืมว่าการที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดนั้นได้สร้างความผิดหวังแก่พระบิดาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวที่สำคัญที่สุดคือปัญหาการสื่อราชสมบัติแรกจริงๆ ทรงหมายมั่นปั้นมือว่าจะทรงมอบราชสมบัติแก่พระโอรสสิทธัตถะและได้ทรงตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พระโอรสก็เสด็จออกทรงผนวเสียพระบิดาก็ทรงผิดหวังต่อจากนั้นก็ทรงหมายพระไทยว่าจะทรงมอบราชสมบัติให้พระราหุลกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสิทธัตถะหมายความว่าเมื่อให้ลูกไม่ได้ ก็จะให้แก่หลานแต่ก็ทรงผิดหวังอีกโดยที่ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเยือนกบิลพัทนั้นได้ทรงชักชวนเอาพระราหุลออกบวชเป็นสามเณรเสียอีกเมื่อต้องทรงผิดหวังอีกครั้งหนึ่งพระบิดาก็ทรงหมายพระทัยว่าจะทรงมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าชายนันทะซึ่งเป็นโอรสของพระองค์กับพระนางมหาประชาบดี แต่แล้วอยู่ๆพระศาสดาก็ทรงชักชวนเอาเจ้าชายนันทะออกทรงผนวดเสียอีกในเวลาไล่ไล่กันรวมความว่าผู้สืบสายโลหิต จ, จากพระเจ้าสุดโทธนาแท้มีผู้ชายอยู่สามคนคือพระพุทธเจ้าพระลาหุนคือหลานกับพระนันทะออกทรงผนวดหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ ราชสมบัติจะต้องตกไปสู่เจ้าชายมหานามะคือลูกของน้องชายนี่แหละท่านถ้าเราเป็นพระเจ้าสุโทธทนาบ้างจะเป็นอย่างไรก็จะต้องถูกความผิดหวังทับถมทรมานสองครั้งสามคราวพระองค์เองก็ทรงอยู่ในวัยชรามากแล้วที่พํานักพระไทยของพระองค์ในทางโลกิยวิสัยมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นคือ อยู่ที่พระนางมหาประชาบดีเมื่อเป็นเช่นนี้หากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางทรงผนวดในศาสนาในทันทีที่ทรงขอครั้งแรกก็จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ระทมอย่างห น, หนักหน่วงแก่พระบิดาจะทำให้พระบิดาเสื่อมจากมรรคผลเบื้องสูงก็ได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้พระองค์ทรงรอการอนุญาตให้พระนางมหาประชาปีทรงผนวดไว้ก่อนและสองเป็นนโยบายเร้าใจของสตรีให้มั่นคงโดยที่พระองค์ทรงเปิดเผยในภายหลังว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอส่วนการบวชเป็นงานหนะักอาจรับไว้ไม่ได้เว้นแต่จะมีการสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเพียงพอก่อน การที่พระพุทธองค์ทรงเรียรอการอนุญาตให้สตรีบวชนั้นเป็นการเร้าใจของสตรีเพศให้เข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหมือนผู้ใหญ่จะให้ของมีค่าแก่ดเด็กเยาวอยากจะให้เด็กนะอยากให้แต่เกรงว่าแกจะรักษาไม่ดีพอหรือเกรงว่าแกจะไม่รู้จักค่าของของจึงต้องทำเป็นยักษ์กระสายไปมาซะก่อน การที่พระพุทธเจ้าทรงรอเวลาประทานอุปสมบทแก่สตรีก็น่าจะเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สตรีด้วยเหมือนกันและอาจเคยทรงแย้มพลายพระดำรินี้ออกมาบ้างแล้วจนทําให้พระนางมหาประชาบดีทรงแสดงวีรกรรมอย่างใหญ่หลวงดังจะเล่าต่อไปต่อมาพระศาสดาเสด็จไปถึงแขวงไพศาลีแล้วพระเจ้าสุดโททนพุทธบิดา ก็สวรรคตรแล้วพระนางมหาประชาบดีก็ทรงเริ่มงานขออุปสมบทอีกด้วยวิธีการที่หญิงใดในโลกยากจะทำได้เพื่อแสดงให้ประจักษ์แก่พระศาสดาว่าสตรีก็มีความเข้มแข็งพอที่จะบวทได้ไม่แพ้ผู้ชายพระนางได้ทรงชักชวนสตรีที่ใจคอเด็ดเดียวรวมเข้าเป็นคณะแทนที่จะทรงทำแต่โดยลำพัง และเพื่อให้ได้สตรีใจคอหนักแน่นพระนางได้ให้สตรีเหล่านั้นโกนผมและนุ่งผ้าเนื้อหยาบสีเหลืองทั้งหมดทั้งนี้เป็นการสงบกำลังใจไปในตัวเพราะผมก็ดีเสื้อผ้าอาพรสีก็ดีย่อมเป็นสิ่งที่สตรีทั้งหลายหวงแหนมากผู้ใดโกนผมทิ้งได้และเลิกการแต่งกายด้วยสีสันแพรพรันต่างๆได้ก็นับว่าเป็นคนเข้มแข็ง และมีศรัทธาที่จะบวชอย่างมั่นคงในการคัดเลือกสตรีใจเพชรครั้งนั้นพระนางมหาประชาดีสามารถรวบรวมสตรีได้จํานวนหลายร้อยคนส่วนมากเป็นพวกสักยะสกุลนั่นเองครั้นจัดรูปขบวนสตรีขอบวชพร้อมแล้วพระนางได้ น, นาคณะสตรีเหล่านั้นเดินทางด้วยเท้าจากกรุงกบิลพัทไปถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่แขวงไผ่าลีการเคลื่อนไหวของหมู่สตรีขอบวช ด, ดังกล่าวหากทำกันในขณะ น, นี้ก็คงจะเรียกว่าเดินขบวนแต่การเดินของท่านเหล่านั้นลำบากและน่าเห็นใจกว่าที่พวกเราเดินกันทุกวันนี้มากเราเดินกันในเมืองหลวงระยะทางอย่างมากก็สองถึงสามกิโลเมตรแต่ท่านเดินกันเป็นเดือน จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งแล้วก็เดินกันตามบ้านนอกไม่เก ก, กะยวดยานพานะของใครผมคิดดูแล้วการเดินขบวนของเหล่าวีรสตรีขอบวชนั้นเต็มไปด้วยความทุรกันดาลจริงๆยิ่งคิดถึงว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอพระนางมหาประชาบดีก็เป็นถึงนางพญาสุคุมาลราชไม่เคยลำบาก ทั้งอยู่ในวัยชราด้วยน่าเห็นใจมากจะมีใครเจ็บป่วยลงในกลางป่าบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าเมื่อสตรีเหล่านั้นไปถึงสํานักของพระพุทธเจ้าแล้วเตไดจึงไม่ตรงเข้าไปเฝ้าพระศั ท, ทสดาทีเดียวแต่ก็พากันจับ ก, กลุ่มร้องไห้อื้ออึงอยู่ที่นอกประตูวัดจะเป็นที่เหน็ดเหนื่อยมาก พอเป็นวิธีการของผู้หญิงที่เอาอะไรให้ได้ก็ต้องร้องไห้ตามธรรมเนียมก็ไม่ทราบเราลองนึกวาดภาพดูก็คงพิลึกดีเหมือนกันผู้หญิงหัวโล้นจํานวนร้อยๆมายืนร้องไห้อยู่หน้าวัดไม่เคยมีครั้นพระอานน์ได้ทราบเหตุก็ได้ออกมาพบสตรีเหล่านั้นซึ่งมีพระนางมหาประชาบดีเสด็จป้าของท่านเองเป็นหัวหน้า ท่านพระานนท์ได้ขอร้องให้ทุกคนรออยู่นอกวัดก่อนและให้หยุดพักการร้องไห้เป็นการชั่วคราวเพื่อตัวท่านเองจะได้เป็นทูตไปทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าสตรีทุกคนก็ยอมปฏิบัติตามหยุดการร้องไห้โดยการพร้อมเพรียงท่านผู้อ่านลองนึกดูสิว่าปัญหานี้จะทำความลาบากใจให้แก่พระอานนท์สักเท่าไหร่ รอพระนางมหาประชาดีไปทูลขอในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทรงทัดทานมาแล้วเพียงแต่ว่าครั้งก่อนนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสห้ามตรงๆเท่านั้นและทั้งคราวนี้พระนางได้พาสตรีบริวารโกนผมครองเพศเป็นนักบวชในศาสนามาก่อนที่พระสัสดาจะทรงอนุ ญ, ญาตจะว่าเป็นการแสดงกาลังใจอันเด็ดเดี่ยว หรือเป็นการบังคับในทางอ้อมก็ยากที่จะเข้าใจหากพระศาสดาทรงอนุ ญ, ญาตให้พระนางและบริวารอุปสมบทได้ก็ดีไปหากไม่ทรงอนุ ญ, ญาตละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นแน่ละ่ะพระนางและหญิงเหล่านั้นจะต้องเสียพระไทยและเสียใจอย่างสุดซึ้งคนทั้งหลายก็จะครหาพระศาสดาว่าไม่ทรงเมตตาแม้แต่พระมารดาเลี้ยงของพระองค์ และที่สำคัญที่สุดคือหากพระสาสดาไม่ท่งอนุญาตให้สตรีเหล่านั้นบวชก็จะเป็นพระดำรัเตเด็ดขาดเท่ากับการห้ามสตรีเข้าบวชในศาสนาตลอดไปเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวหากพระอานอ์ไม่ใช้ปฏิพานอันแหลมลึกแล้วยากมากที่จะแก้ปัญหาให้รู้ล่วงไปได้ดังนั้นท่านจึงให้สตรีทั้งหมดยับยั้งอยู่นอกวัดก่อน แล้วท่านเองเข้าไปเฝ้าพระสัสดาเมื่อเข้าเฝ้าแล้วแทนที่จะกราบทูลการมาของพระนางและสตรีเหล่านั้นทีเดียวก็เปล่าพระนนท์ได้นำปัญหาสตรีทั่วไปขึ้นกราบทูลถ้าหากจะเก็บใจความจากหลักฐานต่างๆมาเรียบเรียงเป็นคํากราบทูลและพระดํารัสโต้อตอบก็จะเป็นว่าพระนนท์ได้กราบทูลขึ้นว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าสมมติว่าสตรีเข้าบวชในศาสนาเขาอาจทำความเพียรจนบรรลุนิพพานได้หรือไม่พระศัสดาตรัสตอบว่าได้เหมือนกันอานน์พระอา n กราบทูลต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็น่าจะประธานอนุญาตให้ ส, สตรีบวชในศาสนาได้พะยะค่ะเป็นการอย่างดูพระประสงค์ว่า พระศาสดาจะทรงห้ามขาดมิให้สตรีบวชหรือทรงดำริอย่างไรอาน o n เราจะอนุ ญ, ญาตให้สตรีบวชก็ได้แต่ว่าพระศาสดาทรงเผยพระประสองค์ออกมาบ้างแล้วดูจะทรงเอื้อนพระดำรัดหน่อยหนึ่งแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าเราอนุ ญ, ญาตให้สตรีบวชศาสนาจะเสื่อมสูญเร็วเข้านะอาน o ์ ถ้าไม่ยอมให้สตรีบวชศาสนาก็จะตั้งอยู่ในโลกได้นานจากพระดำรัดนี้เป็นนันทราบแน่ว่าการที่พระศาสดายังไม่อนุ ญ, ญาตให้ ส, สตรีบวชในศาสนานั้นไม่ใช่เพราะทรงเห็นว่าผู้หญิงไร้ความสามารถที่จะทําความเพียรและไม่ใช่ ส, สตรีเพศไม่เหมาะสมแก่พระพุทธศาสนาหรือจะทรงผูกขาดการบวชไว้สําหรับพวกผู้ชายฝ่ายเดียว ไม่ใช่ทั้งนั้นแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงของพระศาสนาและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคือปรลโลกทั้งมวลในภายหลังจะได้เพราะผิดพระศาสนาเหตุผลละ่ะปรากฏออกมาในพระดำรัดต่อไปว่าอานนตระกูลใดที่มีแต่ผู้หญิงมากจนปร้นได้ง่ายตั้งอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมพระอาโ น, น์กราบทูลว่า เป็นความจริงพื่อค่ะเหตุผลที่เรายังไม่อนุญาตให้สตรีบวชเป็นพระก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอา น, นุนถ้าสตรีเข้าบวชกันมากความมั่นคงของศาสนาก็จะลดน้อยลงเป็นพระดํารัฐอธิบายพิจารณาจากข้อความจากพระดํารัสนี้จะเห็นได้ว่าพระศาสดาทรงมุ่งถึงว่า สตรีเป็นคนอ่อนแอในทางร่างกายและจิตใจก็อ่อนไหวง่ายกว่าผู้ชายการป้องกันตนจากคนพานก็ทำได้ยากพระพุทธองค์ทรงปริวิตกในแง่นี้แต่เมื่อพระอานนทูนซักต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นจะไม่มีทางใดเลยหรือพย่อค่ะที่จะทรงสงเคราะห์ให้สตรีได้บวชในศาสนาพระศัสดา ก, ก็ทรงพระกรุณา เปิดทางให้อย่างมีเงื่อนไขว่าอานุนถ้าเช่นนั้นสตรีจะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อได้เราก็จะอนุญาตให้อุปสมบทหมายถึงขรุธรรม8ข้อซึ่งเป็นเงื่อนไขที่หนักหนามากพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกตรงๆว่าขรุธรรมซึ่งแปลว่าเงื่อนไขอย่างหนัก เมื่อพระอาน o n ทราบเงื่อนไขนั้นแล้วก็ได้ออกจากที่เฝ้าไปหาพระนางมหาประชาบดีซึ่งรออยู่นอกพระอารามแล้วทูลคุรุธรรมทั้ง8ให้พระนางทรงทราบ พ, พร้อมกับทูลถามว่าพระนางจะรับได้หรือไม่พระนางมหาประชาบดีได้ตัดสินพระไทยแน่วแน่มาก่อนแล้วที่จะทรงต่อสู้กับความลําบากยากเข็ญทุกอย่างเพื่อให้ได้อุปสมบท จึงได้ตกลงพระไทยเดินทางมาด้วยความลำบากตรากตรำเพราะฉะนั้นพอพระานนท์แจ้งเงื่อนไขทั้งแขาดลำคอพระนางก็ทรงรับในทันทีและยังแถมตรัสกับพระานนท์เสียด้วยว่าพระนางและสตรีทั้งหลายจะน้อมรับและถนอมครุธรรมทั้งแข้อไว้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งปานกับหญิงสาว ถนอมพ่วงม ล, ลิหรือลำดวนที่คนรักมอบให้ทีเดียวเมื่อตกลงกับพระนางเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระนน์ก็กลับเข้าไปเฝ้าพระสัสดากราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบและขอประธานอุปสมบทให้พระนางพระสัสดาทรงอนุญาตให้พระนางบวชได้สมประสงค์และทรงอนุญาตให้เป็นพระอุปชาบวชให้สตรีคนอื่นๆด้วย สตรีจึงได้เข้าบวชในพระศาสนาตั้งแต่นั้นสืบมาคารุธรรมหรือเงื่อนไขอย่างเข้มงวด8ข้อนั้นเาที่พิจารณาดูแล้วก็รู้สึกว่าหนักมากจริงๆโปรดพิจารณาเป็นข้อๆลองดูก่อนเหตุผลที่ว่าทำไมจึงทรงบัญญัติมาอย่างนี้ค่อยว่ากันทีหลังคารุธรรม8ข้อนั้นว่าอย่างนี้ข้อ 1. ภิกษุณีต้องเคารพพระภิกษุ แม้จะอ่อนพันษากว่าข้อ2องพิษุนีจะต้องไม่จำพันษาในวัดที่ไม่มีพระภิกษุข้อ3ภิกษุนีต้องทำอุโบสถและรับโอวาทพระภิกษุทุกกึ่งเดือนข้อ4ี่พิษุนีต้องปรวรนาตัวให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้ข้อ5้าพิษุนีต้องอาบัตแล้วต้องมานัดคือรับโทษ จากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายข้อ6ภพิกษุนีจะต้องบวชจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายหลังจากเป็นสิกขามานาแล้วสองปีข้อ7ภพิกษุนีจะด่าว่าค่อนแค้พระภิกษุไม่ได้ข้อ8ภพิกษุนีสอนภิกษุไม่ได้เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ใดและสำหรับคนสมัยใดก็ตาม เราต้องยอมรับว่าเป็นการเข้มงวดมากจริงๆน่าเห็นใจสุภาพสตรีทั้งหลายอยู่แต่ถ้าพิจารณาถึงความจำเป็นทางส่วนรวมคือการดำรงรักษาศาสนาก็น่าเห็นใจและเห็นด้วยกับท่านผู้บัญญัติเมื่อก่อนข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่ให้ความเป็นธรรมแก่หญิงพูดง่ายๆคือเอาเปรียบหรือกดผู้หญิงที่เวลาทาบุญ บำรุงศาสนาแล้วทำด้วยกันแต่พอบวชจะบวชผู้หญิงเกิดถูกกีดการเอามากมายนี่เป็นความรู้สึกเดิมข้าพเจ้าคิดว่าเวลานี้ก็คงจะมีท่านผู้ฟังกำลังคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่เมื่ออยู่ในโลกนานเข้าเห็นเดือนเห็นตะวันมากแล้วความคิดเหล่านั้นก็หายไปหมดเวลานี้เห็นด้วยรเอร์เซ็ว่ามันจาเป็นจริง และถ้าจะพูดกันอีกทีคุรุธรรมแปประการนี้ช่วยผู้หญิงไว้มากแม้การที่ผู้หญิงพากันยอมทําตามคุรุธรรมทั้งแปดอยู่ทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นคนน่าน้าถือและเป็นผลดีแก่ศา ส, สนามากนึกๆ ก, ก, ก็อยากจะให้มีคุรุธรรมสําหรับพวกผู้ชายเสียด้วยเหตุใดพระศาสนาจึงโยนของหนักให้ผู้หญิงต้องว่าตรงนี้เสียก่อน เพราะตามธรรมดาโลกแล้วเราต้องให้สุภาพสตรีถือของเบาๆให้ทำงานเบาๆส่วนของหนักงานหนักผู้ชายอกสามสอกต้องรับเอาไปถ้าผู้ชายคนใดนั่งน่งนอนๆอนกินแรงผู้หญิงทั้งๆที่ตัวก็ทำได้โลกเขานินทานี่ความรู้สึกทั่วไปแต่พอหันมาดูเรื่องนางภิกษุณีแล้วตรงกันข้ามบวชก็ยากกว่าผู้ชาย วินัยก็มากกว่าที่เป็นดังนี้เพราะเหตุว่าสตรีเพศเป็นเพศที่อ่อนแอกำลังน้อยคนเราเมื่อกำลังอ่อนแอจิตใจก็มักจะอ่อนไหวง่ายอันนี้เป็นของธรรมดาทีนี้มีปัญหาทำอย่างไรจึงจะคัดเลือกเอาแต่คนเข้มแข็งเข้ามาในศาสนาคือให้ได้แต่คนที่ใจคอเด็ดเดี่ยวแน่นอนใจจริงๆไม่ใช่บวชหนีงาน ก็จำเป็นต้องมีเครื่องทดสอบการทดสอบกำลังใจนั้นจะทำอย่างไรจะชั่งน้ำหนักจะวัดตัวจะพิมพ์ลายมือถ่ายรูปเอ็กซเรย์ดูไม่ได้ทั้งนั้นเงื่อนไข8ดข้อนี้แหละคือเครื่องทดสอบอย่างวิเศษเป็นเงื่อนไขที่หนักกว่าท่านก็บอกตรงๆว่าหนักถ้าใครยกของหนักได้คนนั้นก็แข็งแรง หญิงได้รับคาุธรรม8ข้อนี้ได้หญิงนั้นก็เด็ดเดี่ยวนี่แหละความจําเป็นที่พระศาสดาต้องบัญญัติคารุธรรมเมื่อพิจารณาดูทุกทางแล้วจะเห็นได้ว่าคารุธรรมทั้ง8ประการนี้มีประโยชน์มากการที่สตรีรุ่นแรกยอมรับคาุธรรมก็น่านับถือและการที่สตรีชาวพุทธทั่วประเทศ ไม่คิดอ่านบวชเป็นภิกษุณีกันทุกวันนี้เพราะรู้อยู่ว่าไม่มีอุปชาที่บวชสืบต่อมาจากพระสัสดาเนื่องจากมีอุปัตตวเหตุให้อุปชาภิกษุณีขาดศูนย์ไปเสียเป็นความจําเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยู่ในความมัธยัติก็นับว่าได้ยอมรับนับถือข้อธรรมอยู่เหมือนกันการที่สตรีไม่บวชเป็นภิกษุณี เพราะรู้ว่าบวชไม่ได้อย่างทุกวันนี้พึงทราบเถิดว่านับเป็นความกล้าหาญเสียสละรักษาครูธรรมไว้และพึงทราบเถิดว่าสตรีทุกคนที่ยับยั้งตนไว้ไม่คิดฝ่าฝืนครธรรมของสตรีเป็นผู้ดำรงรักษาพระศาสนาให้ตรงตามพระพุทธประสงค์เป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งบางคนเข้าใจว่าสตรีบวชไม่ได้ ก็หมายความว่าไม่มีส่วนสืบอายุพระศาสนาซึ่งยังนับว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ที่จริงการสืบอายุศาสนาทุกวันนี้มีสองวิธีผู้ชายสืบอายุพระศาสนาด้วยการบวชแต่ผู้หญิงต้องสืบอายุพระศาสนาด้วยการไม่บวชเป็นภิกษุณีนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังรู้สึกด้วยว่าการที่พระศาสดาทรงบัญญัติเคร่งธรรมไว้ นัาว่าได้ทรงเมตตาแก่สตรีมากทีเดียวผู้ตรงตรงคือปิดทางที่ผู้หญิงจะตกนรกได้มากเพราะท่านช่วยกีดกันคนหลอกแหละไว้เสียเมื่อใครใจอ่อนนักก็บำเพ็ญเพียรในชีวิตคฤหัสผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นการทำลายศาสนาอันเป็นสมบัติส่วนรวมนับว่าเป็นโชคดีของสตรีแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดจะนึกว่า ผู้หญิงผู้ชายก็บำรุงศาสนามาด้วยกันต้องให้บวชได้ทั้งสองเพศสิจึงจะเป็นธรรมก็โปรโดนึกถึงกิจการบ้านเมืองเราก็ได้ทั้งทั้งที่เราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศด้วยกันบำรุงประเทศบ้านเมืองมาด้วยกันแต่การบางอย่างก็ให้แต่ผู้ชายทำหรือให้ผู้ชายทำมากกว่าเช่นอย่างการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นต้น ไม่ใช่จะถือว่าใครเสียภาษีากรแล้วก็คิดว่าตนจะต้องเข้าเป็นเอาเงินเดือนให้ได้แต่เราก็ไม่ทํางานหนักๆอย่างนี้ให้พวกผู้ชายเขาทําจะเป็นผลดีเราก็ยกให้พวกผู้ชายถึงจะมีสตรีเข้าทําบ้างก็น้อยแต่เป็นเรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบหรือลุกอนาจเกลี่ความอยากของตน ถ้าต่างคนต่างจะทวงสิทธิ์ผลที่สุดกล็ล่มการเลือกคนเข้าบวชในศาสนาก็เหมือนกัน